สวัสดีครับสวัสดีวันขัดมงคลครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีุดเฟซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบเรื่องวิธีที่พระวิญญาณจะตรัสกับเราพี่น้องครับผมพอจะรวบรวมได้ถึงแปดวิธีที่พระวิญญาณจะพูดกับเราหรือในหนึ่งก็คือว่าแปดวิธีที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในปฐมกาลนะครับพระเจ้าได้ตรัส อาดมในสวนเอเดนเราก็เห็นตลอดเวลาตั้งแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบเอ็ดพระเจ้าได้ตัดกับผู้คนของโพโระองค์มากมายจนกระทั่งถึงโนอาให้โนอาสร้างนาวาต่อมาบทที่สิบสองพระเจ้าก็ตัดกับอับรามพระเจ้าตัดกับโมเสสในพุ่มไม้ที่ไม่ไฟอยู่แต่ไม่ไหม ในพื่อนบีใหม่พระเจ้าก็ตรัสกับผู้คนเยอะแยะมากมายโย่อย่างเช่นเปาโลแท้จริงแล้วหลายหลยคนนะครับก็มักจะถามว่าเอพระวิญญาณของพระเจ้ายังตรัสกับมนุษย์อยู่หรือเปล่าผมตอบกับพี่น้องชัดเจนแน่นอนครับว่าพระวิญญาณยังตรัสกับพวกเราอยู่พระเจ้ายังตรัสกับพวกเราอยู่คนก็ถามบอกว่าเอแล้วพระเจ้าตรัสกับเรา เป็น MP3 หรือ m p 4เป็นเสียงหรือว่าเป็นภาพหรือว่าเป็นเสียงกระซิบเบาดังขนาดไหนและพระเจ้าตรัสยังไงตรัสเมื่อไหร่ตรัสที่ไหนพี่น้องครับในการตอบคำถามแบบนี้นะครับด้วยแปดประการหรือแปดวิธีที่พระวิญ ญ, ญาณพระเจ้าตรัสกับเรานะครับตาโพธจนะของพระเจ้านะครับ ประการแรกก็คือพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระธรรมของพระองค์พระวจนะของพระองค์สองทีมือทีบทที่สามข้อสิบหกได้กล่าวว่าพระวทะหรือพระวจนะทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าภาษาอังกฤษคำว่าดนใจนั้นมาจากคำว่า God Breath ก็คือการเป็นลมหายใจของพระเจ้าหรือพระเจ้าได้ ระบายลมปราณเข้ามาในมนุษย์มนุษย์จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพราะเะพระนะของพระเจ้านั้นก็สามารถเข้ามาในชีวิตของคนเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสเราทั้งหลายจึงได้รับชีวิตพระเจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราเราตอบสนองด้วยความเชื่อเราจึงได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับตรงนี้เองผมไม่อยากที่จะพูดมากมายแต่ ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระวิญญาณจะตรัสหรือพระเจ้าจะตรัสผ่านทางพระธจรมของพระองค์นะครับโดยโดยส่วนใหญ่นะครับประการที่สองก็คือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุธดตรัสกับเราผ่านทางคําตรัสของพระเยซูคริส ต, ตรัสผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองนะครับพี่น้องครับผ่านทางพระวาทะหรือคําตรัสของพระเยซูที่อยู่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เราจึงสามารถได้ยินหรือได้รู้ถึงพระราชาิขิไทยหรือน้ําพระทยัยของพระเจ้าพระบิดาได้เราสามารถที่จะอ่านได้จากพระธรรม มัทสิวมารโกรลูกายอนหรือแม้กระทั่งกิจการที่บันทึกถึงคำตรัสของพระเยซูช่องทางที่สามครับพระเจ้าตรัสผ่านทางธรรมชาติและการทรงสร้างของพระองค์อันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อยี่สิบครับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับสภาพที่ไม่ปรากฏของโรรองเนี่ย แดงถึงริทธารุภาพนิรันด์และธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตธรรมชาติและเราเห็นการสื่อสารของพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติหลายๆครั้งทีเดียวเวลาที่เราท้อแท้ใจพระเจ้าตรัสผ่านธรรมชาติเมื่อเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า หราเห็นชีวิตของโยบนะครับเมื่อพระเจ้าได้สำแดงให้โยบได้เห็นว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้ใครเป็นผู้ที่ดับทโรงสภาพของโลกนี้เมื่อเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างโยบก็รู้ว่าพระองค์กำลังสื่อสารความยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้เข้ามาในชีวิตของเขาจนกระทั่งเขานั้นได้ก้มกราบพระองค์เขาได้ยอมรับว่าพระองค์ทรง อำนาจอธิปไตยสูงสุดโปร่งสงกระทำทุกสิ่งได้ประการที่สี่ครับพระเจ้าตรัสผ่านทางผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณหรือผู้เชื่อคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นครูละวีของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรของเราไม่ว่าจะเป็นผู้นําคริสตจักรของเราไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นศิษย์พิบานพระเจ้าตรัสผ่านคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่สามข้อสิบเจ็ดนะครับยากอบทที่สามข้อสิบเจ็ดพี่น้องครับหลายหลครั้งทีเดียวเวลาที่เรามีปัญหาผมอยากจะแนะนําให้ท่านไปใช้บริการของพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณครับผู้กครองดูแลฝ่ายจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งผู้นําคริสตจักรและ ใช้บริการศิลพิบาลได้เพราะนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้รับการส่งเรียกเพื่อที่จะเป็นช่องทางที่พระเจ้าจะตรัสกับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้คําแนะนําบรรดาพี่เลี้ยงต่างๆก็ดี เราสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าการตรัสของพระองค์ผ่านทางบุคคลเหล่านี้ต่อไปครับช่องทางที่ห้าพระเจ้าตรัสผ่านทางการนมัสการนะครับในพระธรรมสองพงศ ว, วดานบทที่ยี่สิบข้อยี่สบเอ็ดเราจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลนั้นได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้า พระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาและพระเจ้าสื่อสารกับเขาพระเจ้าตรัสกับพวกเขาพี่น้องท้าวหลายๆครั้งทีเดียวการน้ำสกานำมาซึ่งน้ำพระทัยของพระเจ้าและสารที่พระเจ้าพูดกับเราหลายครั้งการน้ำสกานำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตเราจะเห็นถึงชนชาติอิสราเอลที่ได้ล้อม <c oughs> เมืองต่าง นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเมืองเยริโคและเขาได้นำกนนารนมัสการพระเจ้านะครับมาถึงเมืองเยริโคในที่สุดกำแพงเมืองเยริโคนั้นก็ล่มสลายลงช่องทางที่หกครับพระเจ้าตรัสผ่านทางสถานการณ์ต่างๆเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นตรัสอยู่ตลอดเวลาครับและเราจะต้องไวพอหรือเซนซิทีฟพอที่จะสังเกต และความสัมพันธ์ที่ผมได้พูดไว้ก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสําคัญมากเพราะเนื่องจากว่าจากสถานการณ์ต่างๆนั้นเราจะได้ยินนะครับการสื่อสารของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงชีวิตของเราในแต่ละอย่างแต่ละด้านหลายครั้งทีเดียวมีบางคนนะครับเป็นประยานให้ผมฟังว่าเวลาที่เขามีโอกาสใกล้ชิดสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับ เขาสามารถพูดคุยกับพระเจ้าเขาสามารถขอพระเจ้าได้เวลาขับรถก็อธิษฐานนะครับลืมตาอธิษฐานเวลาทำสิ่ ง, งต่างๆก็อธิษฐานในทุกๆด้านของชีวิตเขาพยายามที่จะแทรกนะครับแทรกคำอธิษฐานเข้าไปในชีวิตในแต่ละเวลาแต่ละจังหวะแต่ละโอกาสเราจะพบว่าเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะอยู่ใกล้เราครับ แท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่ใกล้เราตลอดเวลาครับแต่เราหลายๆครั้งเราไม่รู้สึกแต่เมื่อไรก็ตามที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจและขอพระเจ้าที่ให้เราตระหนักและประจักษ์ถึงการสถิตยอยู่ใกล้จสถิตยอยู่ในตัวเราของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์กับโรงได้ทันทีช่องทางที่เจ็ดครับพระเจ้าตรัสผ่านในวิญ ญ, ญาณปิตของเรา ในพระธรรมยอห์โบที่สิบสี่ข้อสิบเจ็ดและพระธรรม in, หนึ่งโครินท์บทที่สามข้อสิบหกนะครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากระซิปในใจให้เรารู้ครับในขณะเดียวกันครับเรารู้ว่านี่คือเสียงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเราจัดคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์เราจะคุ้นเคยกับน้ำมัทไตของพระองค์หลายครั้งบางคนเตือนว่าระวังนะจะเป็นเสียงของมารซาตาน พี่นครับหากว่าเราคุ้นเคยกับพระเยซูเราคุ้นเคยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะจำเสียงของพระองค์ได้เหมือนอย่างที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอนครับบอกว่าแกะของเราจะฟังเสียงของเราแกะของเราจะรู้จักเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักพระเยซูเราจะรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยผ่านทางความคุ้นเคยเราจะจำได้ว่านี่คือมาจาก พระเจ้ามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากพระเยซูคริสต์เพราะเราคุ้นกับเสียงของพระองค์และไม่มีเสียงไหนนะครับที่จะหลอกเราได้ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์เราคุ้นเคยกับพระวจนะพระคำของพระองค์เพราะเรารู้ว่าหลักการก็คือสิ่งที่พระวิญญาณตรัสนั้นจะไม่สามารถที่จะขัดแย้งกันกับพระวจนะของพระเจ้าได้ นี่คือช่องทางที่เจ็ดนะครับช่องทางช่องทางสุดท้ายก็คือช่องทางแห่งการอธิษฐานครับช่องทางแห่งการอธิษฐานในพระธรรมโรมบทที่แปดก็ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจดนะครับเราจะรู้ว่านี่คือช่องทางที่พระเจ้าจะตรัสในขณะที่หลายๆครั้งเราอธิษฐานอยู่นะครับพระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าให้เราได้ยินพสุเสียงของพระองค์หรือได้ยิน หรือได้เห็นหรือแม้กระทั่งได้เกิดความอย่างรู้ความคิดบางสิ่งบางอย่างแวบเข้ามาในชีวิตขณะที่เราอธิษฐานอยู่แวบเข้ามาอยู่ในระหว่างการอธิษฐานนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีประสบการณ์ฝ่อยวิ ญ, ญญาณนะครับได้ให้เรารู้จักสังเกตี่น้องครับถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้พระเจ้าตรัสโดยวิธีแบบเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่า คำตอบคือเราไม่สามารถจํากัดพระเจ้าได้พระเจ้าสามารถที่จะเปิดเผยสําเดงจและตรัสกับเราพาระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะบอกกับเรานะครับในทุกๆช่องทางได้หมดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับเราเองนั้นจะต้องมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องมีชีวิตแห่งการอธิษฐานการอา่านพระคัมภีร์ การเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอพระเจ้าจะตรัสกับเราอย่างแน่นอนพี่นนท์ครับโปรดจำไว้ก่อนที่จะจากกันในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้านั้นจะไม่ขัดแย้งในพระองค์เองโปร่งเวลาที่ตรัสกับเราโปร่งก็จะสอดคล้องกับโจชนะของพระเจ้าและสิ่งที่โปรองค์ตรัสจะนํามาซึ่งการถวายเกียรติ การถวายพระศิริแด่พระเจ้าอาเมน